ตายห่วงทำไมคนโบราณถึงห้ามนำศพเข้าบ้านการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกที่เราจะต้องเจอกับมันเพียงแค่เราไม่รู้ว่าวันไหนจะถึงวันของเราแค่นั้นเองความตายนั้นไม่มีใครหนีพ้นได้มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ ในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาและต้องทำอย่างเคร่งขัดเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายให้ไปสู่สุคติยิ่งถ้าเป็นการตายแบบพิธธรรมชาติคือตายโหงจะมีความเชื่อมากในเรื่องห้ามนำศพเข้าบ้านแต่คุณรู้ไหมว่าตายโหงที่กล่าวทังนนั้นแท้จริงคือแบบไหนถึงจะเรียกว่าตายโหงและทำไม ห้ามนำศพคนตายโหงเข้าบ้านตายโหงเป็นการตายแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ปกติหรือเป็นธรรมชาติเช่นการตายด้วยอุบัติเหตุรถชนตายถูกฆ่าตายตกน้ำตายฆ่าตัวตายแม้กระทั่งการตายท้องกลมก็ถือว่าเป็นการตายโหงเช่นกันพอตายแล้วกลายเป็นผีถึงเรียกว่าผีตายโหง ผีตายหงจะเป็นผีที่จิตตกเพราะจิตสุดท้ายของเขาก่อนตายนั้นอยู่ที่นั่นและจะวนเวียนอยู่บริเวณที่ตายอยู่อย่างนั้นจนกว่าญาติๆจะมาทําบุญให้และผู้ตายนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วผีตายโหงนั้นมีความเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่เฮียนมากบางดวงวิญญาณถึงขั้นตามอาฆาต คนที่ทำร้ายตนดังเช่นหลายๆคดีในอดีตที่เคยเป็นข่าวว่าฆาตกร น, นั้นตน้องหนีหัวซุกหัวซุนไม่ยอมรับสารภาพกับตำรวจว่าตนเป็นคนฆ่าจิตสุดท้ายก่อนตายของผีตายโหงยังติดอยู่กับความหวาดกลัวตกใจอาคาตแขนอาลัยอาวร์ตายทั้งที่ยังทำใจไม่ได้ วิญญาณจึงติดอยู่ในบ่วงแห่งอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นบ้างก็ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำทำให้วิญญาณไม่สงบเป็นวิญญาณทรมานไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันของตัวเองเลยยังคงเที่ยวปรากฏกายให้คนได้พบเห็นยิ่งถ้าเป็นผีตายโหงที่ตายขณะยังมีความอาฆาตพยาบาทหรือถูกฆ่าตายด้วยแล้ว จะยิ่งมีความเฮี้ยนเป็นอย่างมากคนตายในลักษณะตายโหงจะไม่นิยมอาบน้ำศพแต่จะมัดแล้วนำไปฝังที่ป่าชา้าเพราะถือว่าตายไม่บริสุทธิ์และไม่นิยมให้นำเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าคนที่ตายโหงนั้นมีวิญญาณอาฆาตรุนแรงและคนโบราณให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบัน บางหมู่บ้านก็ยังห้ามกันอยู่เพราะมีความเชื่อว่าผีตายนอกบ้านนั้นเป็นผีที่แรงซึ่งแม้แต่ผีบ้านผีเรือนที่คอยปกป้องรักษาบ้านนั้นอยู่ก็สู้ไม่ได้และยังเป็นศพทิเละน่าเกลียดน่ากลัวเสี่ยงที่คนในบ้านจะติดเชื้อจากคนตายได้บ้างก็ไม่เผาเพราะกลัวจะเกิดความเดือดร้อน แก่ญาติพี่น้องเมื่อมีการนำผีตายหงเข้าบ้านผีเรือนก็จะออกไปไม่อยู่รักษาบ้านเรือนและมีความเชื่อว่าเมื่อเอาเข้าบ้านแล้วอาจจะมีคนตายเพิ่มอีกก็ได้ผีตายโหงนั้นมักสิงสถิตยอยู่กับที่ที่ตัวเองตายจะไม่ไปไหนกลายเป็นผีเฝ้าสถานที่ที่ตายนั้น ถ้าตายตามท้องถนนก็จะเป็นผีเฝ้าถนนอย่างโค้งร้อยศพเป็นต้นเมื่อมีคนมาตายแทนจึงจะไปผุดไปเกิดได้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องของโค้งร้อยศพนี้สามารถสันนิษฐานได้ถึงปรากฏการณ์ของความคำหนึ่งอันแรงกล้าที่จิตวิญญาณยังคงหลงเหลืออยู่เช่นถ้ามีใครสักคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่ง แล้วรู้สึกกระหายอยากดื่มน้ำเป็นอย่างมากแต่มีคนเรียกให้ไปทําอย่างอื่นและต้องลุกไปเสียก่อนทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ดื่มน้ำให้ชุ่มชื่นใจความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะดื่มน้ำนี้จะยังคงหลงเหลืออยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นเมื่อมีคนใหม่เดินมานั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นก็จะเกิดความรู้สึกกระหาย และอยากดื่มน้ำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันซึ่งสามารถอธิบายเป็นปรากฏการณ์ของโค้งร้อยศพได้ว่าขณะที่ผู้ประสบอุบัติเหตุกำลังอยู่ในห้วงอารมณ์ที่ตกใจและผู้ลนผู้ายอยู่นั้นความรู้สึกอันแรงกล้าเพือกสุดท้ายยังคงหลงเหลืออยู่ณบริเวณนั้นดังนั้น เมื่อมีผู้ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็จะรับเอาความคำหนึงอันแรงกล้าของจิตสุดท้ายของผู้ตายมาทำให้เกิดประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกันจนถึงแก่ความตายหากใครมีญาติหรือคนรู้จักที่เสียชีวิตแบบตายโหงก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้พ้นทุกดวงวิญญาณของเขา จะได้ไปสู่สุขติได้เร็วขึ้น สัมผัสสีออ